สิขาบทที่8เรื่องพระชัพพะคี645สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะคีนั่งบนพื้นดินแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะพระบัญญัติ 8. เพึ่อทำความสำเนียกว่าเรานั่งที่พื้นดินจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะ เรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุนั่งอยู่บนพื้นดินไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนพื้นดินแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะต้องอาบัตทุกข์อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้สี 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัตสิกขาบทที่แปดจบ